สวดหลวงพ่อวันที่31เย็นเขานิมนต์หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมนะวันที่ส1เย็นประมาณหนึ่งท่แต่วันนี้จะได้ไปประชุมเกี่ยวกับงานการวางแผนของงานแต่ตามไม่จริงหลวงพ่ออยู่ในป่าดวงพงภัยแต่ท่านก็เรียกเข้าไปเพื่อหาหรือแต่หลวงพ่อก็ถือว่าหลวงปู่ธรรมเจดีเนี่ย เป็นทวดไม่ใช่ปู่ธรรมดางั้นเถอะเป็นต้นตระกูลของพวกเราถ้าจะว่าเป็นปู่ก็ใช่หลวงปู่มั่นเป็นทวดหลวงปู่มั่นปู่เสาแล้วก็หลวงปู่มั่นปู่เสาเห็นเท่าเจ้าคุณธรรมเจดีย์เจ้าคุณธรรมเจดีเห็นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเขารบนับถือเลื่อมใสหลวงปู่มั่นก็ได้ เอามาบวชเอามาสั่งสอนแนะนำสั่งสอนจากนั้นท่านก็ได้ลงไปเรียนหนังสืออยู่วัดเทพศิรินกรุงเทพได้หามหาป ร, ริญญาสามประโยคจากนั้นกระทางกรุงเทพส่งขึ้นมาเป็นผู้บริหารทางภาคอีสานท่านก็บวชมาเกือบ20่สพรรษาในช่วงนั้นมาอยู่วัดโพธิสมพร สมัยนั้นจังหวัดอุดรก็เป็นจังหวัดมนทนอุดรมนทนอุดรมนทนอุด อ, นน อ, อุบลมนทนโคราชนะท่านก็มาเป็นเจ้าของมนทนฝ่ายปกครองพระสง์จากนั้นท่านก็ได้สร้างวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรของเราเนี่ยอุดรธานีของเราจากนั้นก็หลวงปู่หลวงตาต่างต่าหลวงปู่ขาว หลง ว, ล ง, ปลวลงปู่ขาวหลวงปู่ฟันแล้วหลวงปู่หลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์พระกรรมฐานเกือบทั้งหมดว่างัานเถอะนี่แหละอันนี้ก็คือต้นตระกูลของพระกรรมฐานเป็นพระอุปชาของหลวงตามหาบัวโดยอุปชาหลวงปู่ขาวอุปชาหลวงปู่ฟันอุปชาหลวงปู่จามอุปชาหลวงปู่ล่า โดยมากพระกรรมฐานเจ้าคุณธรรมเจดีเนี่ยเป็นพระอุปชาเป็นพ่อของพระกรรมฐานเหมือนกันเถอะนี่แหละท่านก็ให้ความเมตตาให้ความอบอุ่นอที่องค์ไหนมีปัญหาอะไรท่านจะให้ความเมตตาเพราะฉะนั้นตาไม่จริงเจดีน่าจะขึ้นก่อนก่อนลูกว่าือนกนเถอะอันในเจดีของหลวงปู่ฟันหลวงปู่ต่างๆขึ้นเต็มไปหมดแล้ว เจ้าคุณธรรมเจดียพึ่งขึ้นมามาปีที่แล้วเนี่ยมาจะฉลองวันที่หนึ่งกันยาที่จะถึงเนี่ยเจดีของหลวงปู่ธรรมะเจดีย่านั้นเพรนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ปล่อยปาละเลยครูบาอาจารย์ฝ่ายทางวัดโพธิสมพรอยากจะให้ช่วยอะไรหลวงพ่อก็ยินดีเข้าไปช่วยยื่นมือเข้าไปช่วยทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ริเริ่มวางศีลาเลิกนั่นแนหะ แต่คราวนี้ก็ถวายจะถูปัจจัยอย่างไรจะถวายผ้าไตรยอย่างไรกับพระสงฆ์ที่มาในงานต่างฝ่ายครูบาอาจารย์พระกรรมฐานอย่างลุงพ่อเนี่ยแตยื่นมือเข้าไปช่วยเหมือนกันจะทํำยังไงจะให้งานนี้สําเร็จร่วงไปไ ด, ป ด, ด้เพราะว่าถือว่างานนี้มันไม่ใช่งานของอบุคคลใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถือว่างานนี้เป็นงานของปู่ว่างานปู่ธรรมเจดี ที่เป็นพ่อที่เป็นพ่อของเป็นพ่อของหลวงตาเป็นอุปชาของหลวงตาเป็นอุปชาหลวงปู่ล่าอุปชาหลวงปู่จาเปว่าพรกกรรมฐานเกือบทั้งหมดอ่ะเป็นเป็นพระ อ, อุปชาวันที่หวันที่สามสิบเอ็หน้าตาบอกปุรัยตองการมากราบมาฉลองเจดีสมโพธิเจดีบรรจุพระพระบรมสารีริกธาตุ เริ่มตั้งแต่วันที่30 31ตอนเย็นจะบทชีพรามแล้วก็ฟังธรรมเทศนาอันนี้ก็เป็นงานการกุศลงานการกุศลเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายบุญกุศลเป็นที่ต้องการของดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณดวงวิญญาณใดก็ตามไม่มีบุญไม่มีกุศลแปลว่าวิญญาณ นั้นดวงใจดวงนั้นก็ได้รับความทุกข์ยากลาบากเหมือนกับคนไม่มีเงินแหะคนไม่มีเงินไปที่ไหนก็ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสไปที่ไหนก็ไม่มีเงินในกระเป๋าแต่ถ้าว่าคนที่มีเงินไปอยู่ที่ไหนก็ถึงยังไงตกทุกยังไงก็ยังมีเงินใช้ในถิ่นนั้นๆเพราะบุบณ์ไม่ได้เลือกมันไม่ได้เหมือนกับเงิน ดอนล่าเงินลาวเงินกีบมันไปที่ไหนมันใช้ได้หมดทุกหัวแหลแห่งของอโลกวัตสงสารรูปประโลกอรูปประโลกเนี่ยการมาโลกรูปประโลกอรูปประโลกเนี่ยไปอยู่ประเทศไหนใช้ได้ทั้งหมดเหมือนันนะบุญกุศลมันไม่เหมือนเงินมันละเอียดกว่าเงินเพราะฉนั้นท่านเรียก ว, ว่าปุญญานิปัโล ก, กัตฉมิงปฏิฐถาหนติปาณินางบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งโลกนี้แหละโลกน้าโลกนี้เกิดมาในโลกนี้ถ้าคนมีบุญไปนสถานที่ใดก็ไม่มีปัญหาเพราะคนมีบุญไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆทั้งหมดไปสู่ประโลกภายภาคหน้าก็มีความผาสุกเพราะคนมีบุญเพราะนั้นการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ตรงกันข้ามกับคนสั่งสมบาป คนทังสั่งสมบาปไปที่ไหนมีแต่คิดทำบาปมีแต่คดคิดคดคดิคดกงคิดป่นคิดกี้คิ ด, ค ด, คดขโมยคิดจะฆ่าคนอื่นเขาคิดจะเบียดเบียนคนอื่นเขาไปที่ไหนมีแต่คิดทำความชั่วคนสะสมความชั่วนำความทุกข์มาให้ไปที่ไหนมีแต่เวรมีแต่ภัยไปที่ไหนไหนก็ไม่มีใครจะนับเนื่องออถือว่าเป็นหมู่เป็นเพื่อน ถือว่าเป็นพิษเป็นภัยกับเขาทั้งหมดเพราะไปที่ไหนมีแต่ลังแก่เบียดเบียนเขาอันนี้เป็นว่าคนที่สั่งสมบาปนำทุกมาให้คนที่นคนที่สั่งสมบุญความนำความสุขมาให้คนที่สั่งสมบุญควำค ว, คญคว่าบุญกุศลเนี่คนที่จิตใจที่เป็นกุศลแล้วสั่งสมบุญกุศล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 ที่มันเกิดขึ้นมาอย่าไปถือว่าเป็นของเล็กน้อยคิดไปในทางที่ไม่ดีต่อมากับพูดไปในทางที่ไม่ดีตามมาต่อมากระทาในทางที่ไม่ดีตามมาบาปอากุศลหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วบาปอากุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรละเสียตั้งแต่ทีแรก อย่าให้มันเกิดในสิ่งที่ไม่ดีในจิตในใจของพวกเราเนี่แหละทำคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้เน้นให้ไปดูให้มองดูที่จุดจุดต้นตอ่อจุดต้นต่อของบาปของบุญจุดต้นต่อของบาปบุญคืออะไรคือใจของพวกเราเนี่ยหละทีนี้ใจของเราเราจะรู้ได้อย่างไงว่าใจของเราเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาป พอบางทีคนเราเกิดมาตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่รู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรอีกต่างหากเพราะนั่นหลักของพุทธศาสนาท่านจึงให้มีสติสัมปชัญญะ อ, อให้ดูใจของตนเองถ้าคนมีสติคือความระลึกละระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวมีสองอย่างมีสติกับสัมปชัญญะรู้ตัวพอรู้ตัวแล้วก็กําหนดจุดใดจุดหนึ่งเออ ให้จิตใจมันอยู่นิ่งในเมื่อจิตใจอยู่นิ่งแล้วเราจะมองเห็นได้เหมือนกับเราเดินไปในสถานที่ต่างๆแล้วเราหยุดเราวิ่งวิ่งก็คือจิตใจมันวิ่งกระสับกระส่ายเราจะมองเห็นอะไรไม่ได้ไม่ชัดเจนทั้งนั้นแต่ถ้าว่าเราหยุดยืนเราจะมองเห็นก็ตั้งเม็ดหินเม็ดทรายกระทั่งมดตัวเล็กตัวน้อยเราก็เห็นได้ เพราะเหตุไรเพราะเรายืนแต่ถ้าเราวิ่งเราจะมองไม่เห็นเห็นก็เห็นพอวับแแมบเลยนะไม่ชัดไม่เจนเพียงแต่ว่ารู้ว่าเป็นคนเผลอๆอาจจะไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอีกต่างหากเพราะ เ, เราวิ่งนี้ขาเหมือนกันใจของเราท่าว่าใจของเราปุงฟุ้งซ่านใจไม่ไม่มีสมาธิใจไม่มีสติสัมปชัญญะเราจะมองสิ่งไหนจะไม่ชัดเจน เพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านจึงให้มีสติสัมปัญญะเมื่อมีสติสัมปัญญะดีแล้วเราจะมองหาต้นตอสิ่งดีสิ่งชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ได้ชัดเจนขึ้นเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านจึงสอนว่าให้มีสตเิเป็นเบื้องต้นพวกเราคิดคิดดูก็แล้วกันน่ะ ้าคนผู้ใดใครก็ตามถ้าเขาขาดสติเป็นยังไงอคนที่เป็นบ้าเป็นบอที่พวกเราเห็นอยู่ข้างถนนหนทางไปถามเขาด้วยซิมันเป็นยังไงทำอะไรถามอะไรไม่รู้เรื่องทั้งนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะคนขาดสติถ้าคนมีสติล่ะสติมันมีอยู่ในระดับไหนคนนั้นบอกยี่ห้อในเร็วแบมีรืมีความดีขึ้นมาตามระดับําดับอย่จนถึง มหาสติมหาปัญญาอย่างพระอาหารหันต์แปลว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์เป็นผู้มีสติสมบูรณ์เรียกว่าพระอาหารหันต์ไม่ให้ใครโจ์ด้วยอาบัติต่างๆกับองค์ท่านคือพระอาหารหันต์เป็นผู้มีสติสมบูรณ์นี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพนันขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะศรัทธาญาติโยมทุกคนให้สั่งสมบุญกุศล อย่าตั้งอยู่ในความประมาทบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงพรหมมีจริงให้พวกเราศึกษาถ้าพวกเราศึกษาแล้วเราจะรู้ได้ในโลกมนุษย์นี้ก็เถอะถ้าใครทำกรรมไม่ดีเอาไว้กรรมไม่ดีนั่นแหละจะตามสนองพวกเราไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างน้อยก็นั่นแหละเป็นที่ตำหนิติฉินดินทาของคนไม่เป็นที่ยอมรับของมนุษย์ของคู่คนทั้งหลาย แต่ถ้าว่าเราทำกรรมดีไปที่ไหนมีแต่สงเคราะห์อนุเคราะห์มีแต่เมตตมีเมตตาในจิตในใจไปที่ไหนมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็สงบพาสุขไปด้วยแต่ถ้าว่าต่างคนก็ต่างมองกันในแง่ร้ายไม่มองกันในแง่ดีเพราะงั้นคนเรามันมองมันมองได้หลายอย่างนะ ในร่างกายของเราเนี่ยถ้ามองหน้ามองตามองหาสิ่งที่สดเสร็จสวยงดงามมันก็เห็นถ้ามองเข้าไปในสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายของเราก็มีตั้งเยอะแยะไปที่เรามองเข้าไปในร่างกายของเร า, เามีแต่สิ่งส ก, ส ก, ส ก, กรปรกปฏิกูลเพราะนั้นการที่จะอยู่ด้วยกันเราต้องเราก็ต้องมองในแง่ดีมองในแง่เหตุผล ถ้ามองในแง่ดีมองในแง่เหตุผลแล้วคนเราก็อยู่ด้วยกันได้ด้วยความสงบพร่มเย็นผาสุขแต่ถ้ามองกันในมองกันในแง่ร้ายแล้วก็นั่นแหละอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีมันอันนั้นก็ไม่น่าพูดอันนั้นก็ไม่น่าทําอไปทําไปทําไมผลที่สุดก็เลยมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเพราะอะไรพ่อมองกันในแง่ร้ายถ้ามองกันในแง่ดีมองกันในแง่เหตุผล เออมันเป็นเพราะเหตุนั้นเองกับมัง้งมันจึงเป็นอย่างลักษณะอย่างนั้นอันนี้ก็ถึงจะมีความผิดยังไงเออเราก็บอกกล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันคนเรามันก็ต้องมีผิดมีถูกด้วยกันทั้งนั้นแหละเออเพราะว่าทุกคนไม่ว่าเขาว่าเราอาจจะคิดผิดพูดผิดทำผิดด้วยกันแต่ถ้าว่าทำผิดคิดผิดพูดผิดโดยเจตนาอันนั้นมันอีกเรื่องหนึง่ง คือทำบ่อยๆ บ, บอกกล่าวแล้วก็ยังไม่ยอมรับอันนั้นแปลว่าเป็นพาระชนคบไม่ได้แต่ลักษณะอย่างนั้นในหลักของพุทธศาสนาเราบอคบไม่ได้เป็นพาระชนแต่บอกแล้วรู้แล้วว่าการกระทำนะอย่าทำนะมันไม่ถูกนะมันผิดกฎระเบียบนะอย่างนี้ต้องก็ต้องฟังกันไม่ว่าเราอยู่ในกฎอยู่ใน บริษัทห้ทางร้านไหนไม่อยู่ในไม่ว่าอยู่ในประเทศชาติไหนไม่ต้องมีผิดมีถูกแต่เมื่อเขากล่าวตักเตือนแล้วเราก็สำนึกคิดทบทวนว่าข้าพเจ้าทมอย่างนั้นมันไม่ถูกนะ อ, อย่างนี้มันไม่ถูกตามคาดีโลกนะคดีธรรมนะรรมนะกฎหมายนะศีลธรรมนะจริยธรรมนะวัฒนธรรมนะประเพณีนะ อ, อย่างนี้เราต้องทบทวนดูตัวของเรา ถ้าเมื่อเรารู้ว่าแล้วว่าเราไม่ควรจะทําอย่างนั้นไม่ควรจะพูดอย่างนั้นเราก็ควรเมื่อเขาตักเตือนมาเราก็ต้องยอมรับอันนี้แปลว่าปรากแต่ถ้าว่ายังดันทุลังไม่ยอมรับฟังคําของใครเลยอันนั้นเรียกว่าภารชนภาละชนเป็นคนผ่านเพราะฉนั้นภารชนไม่ต้องหาที่อื่นหาที่ตัวของเราเนี่ยตาใจของเราคิดไปในทางที่ไม่ดี คิดไปในทางที่ไม่ดีมันการกระทําออกมาจะไม่ดีและการพูดออกมาจะไม่ดีนั่นแหะแปลว่าใจของเราเป็นภาระชนแต่ถ้าว่าเราจิตใจเป็นกุศลสร้างกุศลสั่งสมคุณงามความดีถึงจะไงไงข้าพเจ้าก็จะต้องบังคับตัวเองไปในทางที่ดีเออทางที่ดีนะโดยมากมันจะให้อยากทําเสเลยมันทําไม่ได้นะโดยมากไม่ไม่อยากจะทำหรอกทำดีต้องบังคับนะ ต้องใช้การบังคับบา ง, งทีก็บังคับน่อยๆบางทีก็บังคับมากจนกว่าจิตใจของเราเห็นคุณค่าเมื่อไรเมื่อนั้นล่ะมันจะไปอัดโดยอัตโนมัติน่ะมันจะขยันไปเองเพราะเราเห็นคุณค่าแต่ใหม่ๆในโดยมากมันท า, ทางไหนไปทางต่ำทางไหนไปทางต่ำมันจะไหลลงทางนั้นน่ะเหมือนกับ น, น้าน่ะมันจะไหลลงทางต่าอันนี้ก็เหมือนกัน ใจของเรานะ่มันมีกิเลสราคะโทสะโมหะมันจะชอบไหลไปทางต่าไหลไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะทีนี้เรามองดูแล้วว่าไหลไปทางนั้นมีแต่ความเสียหายไม่ใช่ทรรมวินยัยไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นหนทางที่ดีเราก็ต้องฝืนเถอนะฝืนเหมือนกับกลิ่งของกรมดูกิ่งคกขึ้นเขาอย่างที่ว่าดนะ หรือพยายามดันน้ําขึ้นเขาอย่างนั้นนะ่ะอันนี้นะ่ยคือการสังสมคุณงามควรทีมันยากถึงขนาดนั้นแต่ยากหรือ ง, ง่ายก็เป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนนะเอจะต้องฝืนจะต้องสู้จะต้องประพฤติปฏิบัติเนี่ยอย่างจิตตะภาวนาอย่างนี้นอย่างพวกเราภาวนาอย่างจะให้อยากภาวนาเฉยเลยเนี่ยมันมันยากนะอะมันยากจนกว่าเราภาวนาไปแล้วจิตใจของเราได้รับความสงบ ยอเย็นเอออันนั้นมันขยันเองเด็เนี่ยคล้ายๆมันขยันเองจากนั้นกับพิจารณามันไปเองหมุนไปเองเด็ด่ใหม่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเหมือนจูงหมาใส่ฝนว่างั้นแอ่มันมีสีขามมากระดานออกเอถ้าเราไม่เชื่อดูจูงหมาใส่ฝนก็ทดลองดูก็ได้เอมันยากขนาดนั้นล่ะจูงจิตใจของเราเขาสู่สู่คุณงามความดีเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแต่ถึงยังไงเราก็ต้องฝืน เพราะเรามองเห็นแล้วว่าถ้าเราอยู่ตามอํเาเภอใจอยู่ตามมัธาใจอยู่ตามที่เราอยากจะเป็นไปนั้นมีแต่ความหายนะมีแต่ความทุกข์เพราะนั้นเราจึงฝืนฝืนนั่งสมาธิเอในเมื่อเรานั่ ง, งสมาธิแล้วจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วเราพิจารณารู้แจง้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วจิตใจของเราก็เกิดความเบื่อหน่ายคลาย นั่นแหละเทนี้มันหมุนไปเองเทนี่โอ้เราจะไปนอนจมนอนใจอะไรอยู่ในโลกวัะสงสารเออพอนอนไปถึงนี่แหละกินเข้ามาถึงจะอริอร่อยขนาดไหนมันก็จะต้องไปถ่ายทิ้งเออวันพุ่งนี้ก็หิวอีกแล้วก็กินอีกเออแล้วก็หามาเหมือนกับเราหาสิ่งของถมลงในน้มามหาสมุทรทะเลอย่างนั้นแ่ะขนลงเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มอันนี้ก็เหมือนกันนะ เราขนอาหารเข้าสู่ร่างกายหาเงินหาคำทรัพยสมบัติตั้งแต่วันเกิด ต, ตั้งแต่รู้เรียงสาภาวะมีแต่หาเงินหาทองตั้งแต่เรียนหนังสือมาเรียนหนังสือเพื่ออะไร เ, เพื่อจะได้มีความรู้ความฉลาดฉลาดจากนั้นก็ได้ทำการทำงานเมื่อทำการทำงานแล้วก็หาเงินพอหาเงินเสร็จแล้วก็นนะ่ะมีเงินมีคาทรัพสมบัติขึ้นมาเลยว่ะซื้อเอาหงอาหารมา บำรุงร่างกายถึงจะบำรุงขนาดไหนก็แก่ไปเรื่อยสิ่งที่ไม่เคยพบเคยจริงเห็นก็เคยเห็นไปเรื่อยนะอนี่แต่แก่ไปเรื่อยเดี๋ยวก็ผมงอกเดี๋ยวก็ฟันหลุดเดี๋ยวก็หูตึงเดี๋ยวก็ตาฟ้าฟังเดี๋ยวก็หลังนังเหี่ยวหัวเขา่าอุด เ, อเป็นไปเรื่อยแต่นี่นี่แหละมันแก่ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็แก่ พอมันถึงกําหนดของมันแล้วก็ถึงจุดจบของชีวิตนี่แหะร่างกายเนี่ยจิงจะบํารุงดูแลดีขนาดไหนจะเป็นหมอระดับไหนก็เถอดดูแลร่างกายก็มีถึงที่สุดเหมือนกันเพอเพลบ้านนอกบ้านนาเขาดูแลรักษาร่างกายไม่ดีเขาอาจจะมีอายุยืนกว่าหมอที่ว่าการบริโภคอาหารยังไงเป็นอาจารย์สอนคู่คนอีกต่างหากเพระเหตุใด มันไม่ได้เลือกกับใครทั้งนั้น อ, อันนี้คือถ้าจะว่าไปคื อ, คอกรรมคือการกระทําในอดีตมีส่วนเหมือนกันเพราะฉนั้นให้พวกเราให้ดูแลร่างกายกันในระดับหนึ่งให้ดูแลทางด้านจิตใจนะ่ะให้ดีที่สุดนะดูแลอย่างใดดูแลทางด้านจิตใจการดูแลสุขภาพกายก็ให้ดูแลในระดับหนึ่งแต่ดูแลสุขภาพจิตนั่นนะ่ะให้ดูแลให้มากจุดนั้นเป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษานะ่ยท่านไปดูแลไปดูจิตใจของท่านนะดูนามธรรมของท่านนะเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาถ้าเราศึกษาให้ดีในพระไตรปิฎกแล้วอจุดมุ่งหมายจุดมุ่งมั่นจุดสูงสุดของพระธรรมคำสังสอนนั่นคืออะไรถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วพระพุทธเจ้าให้ดูใจนะ เ, เรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า มนโนปุพังกมาต ม, มามนโนเสถามนโนมายาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้ว้วยใจใจมันอยู่ที่ไหนไถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็มองไม่เห็นไม่เห็นใจของตนเองอีกเหมือนกันแต่เรามีเป็นสมาธิแล้วเราจะมองเห็ น, น, ใ, จ น, นใจของเรานะั่นหละใจของเราจะไปดีหรือจะไปชั่วจะไปบาปหรือจะไปบุญถ้าเรามีสมาธิดีดแล้วเราจะรู้ได้กระทางวัด ใจเศร้าหมองใจผ่องใสใจมีกิเลสราคะโทสะเข้ามาเครือบแฝงในใจขณะในี้ใจของเราไปเป็นยังไงไปทางตัณหาหรือไปทางกิเลสโทสะหรือไปเป็นไปทางกิเลสโลภะเน่ยมันจะมองเห็นได้เพราะฉะนั้นที่จะกําจัดกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าวางอีกมักแปดเนอที่จะตัดกิเลสสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้น สมาิสมาสมาสมาธิเป็นสุดท้ายมรคคือ8มรค8นี่แหละสินสมาธิปัญญานี่แหละที่จะชำระใจของท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มีทางอื่นเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาศึกษาไปทีละน้อยละน้อยอาศัยการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์จากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยนะ ไม่ใช่ว่าได้ยินได้ฟังแล้วกช่ยมีแต่ถือแผนที่ไว้ในมือเท่านั้นเองถือถือแผนที่อ่ะข้าได้แผนที่แล้วแต่ไม่เดินตามแผนที่จะเกิดประโยชน์อะไรนะพอเดินได้แผนที่มาแล้วกัลงมือเดินตามทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำสั่งสอนเราทานนอะรักษาศีลเนอนระภาวนานะมันไปด้วยกันนะ ถ้าคนไม่มีการเสียสละเป็นคนขี้ตนีทีเนียวไปที่ไหนเห็นแก่ตัวอา่าแล้วจะภาวนาจิตใจมันจะเข้าสู่ความสงบร่อมเย็นเป็นสุขไม่ได้นะอา่าจิตใจมันเหี่ยวแห้งจิตใจไม่ชุ่มชื้นด้วยคุณธรรมศีลธรรมมันต้องไปด้วยกันนะนี่แหละคือเหมือนกับต้นไม้เลยต้นไม้มันต้องมีเปลือกมันต้องมีกระพี้มันต้องมีแก่น เ, เราที่คิดว่าแก่นอย่างเดียวดีมีประโยชน์นะอ่ดูสิมันเอาแก่น เอาเม็ดไปปลูกให้มันเป็นแก่นเดินเป็นได้ไหมเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องปลูกขึ้นมาก็ต้องเป็นต้นเล็กๆต่อไปก็เป็นเปลือกเป็นกระพี้ซะก่อนจึงสร้างแก่นขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันนะมันไปตั้งแต่ทานศีลภาวนาแต่สําหรับพระสงฆ์ท่านเห็นเน้นเรื่องศีลสมาธิปัญญาศีลศีล ส, ส, สมาธิปัญญาใ น, นฝ่ายพระสงฆ์สําหรับฝ่ายฆรวยาวาสญาโจรอุบาสกอุบาสิกาแล้วกนนั้นทานศีลภาวนา ท่านให้เตรียมไว้ทานด้วยคือการเสียสละเพราะคารวะญาติโยมอยู่ด้วยกันมากมายต้องมีการเสียสละหมูหมากาไก่ก็ต้องอาศัยเราลูกเล็กเด็กแดงพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องอาศัยเราเรามีการสะแสวงหาทรัพย์มาแล้วก็เสือเผื่อแผ่ต่อพ่อต่อแม่ของตนเองต่อพี่ต่อน้องต่อวงศานาญาติต่อหมูหมากาไก่ที่มาเกี่ยวข้องเรานะอันนี้แหละคือ เป็นครวญญาณโยมสําหรับพระสงฆ์แล้วก็ตัดสิ่งหล่น้นออกหมดมีแต่เข้ามาอยู่วงในไม่ให้สะสมสิ่งอันไหนที่จะเป็น เ, เป็นมลทินให้ภาวนาเนอะให้รักษาศีลเนี่ภาวนานะเนอะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, ก จ, จิตใจอันนี้คือฝ่ายพระสงฆ์นะ เ, เพราะนั้นพวกเราศึกษาในหลักศึกษาหลักของพุทธศาสนาแนละแยกแยะให้ออกออแยกแยะให้ออกออไม่ใช่ว่า เอาปริยัติเอาพระวินัยมาตีพระสูตรเอาพระสูตรมาตีพระประมาทัยอย่างนั้นพระประมาทัยคือพระประมาทัพระสูตรก็คือพระสูตรพระวินัยก็คือพระวินัยมันมีตามขั้นตอนของแต่ละขั้นแต่มันกลมกลืนอันเดียวกันมันไปด้วยกันได้ถ้าพวกเรารู้จักปฏิบัติแต่ถ้าพวกเราไม่เรียนรู้ให้รอบคอบแล้วล่เอาปรมัตัยไปตี พะสูตรพระวินัยนั่นแหละจุ่งละเท่ น, นี่เผอเผก็เกิดธรรมะหัวโนธรรมโหัวแตกละเท่ น, นี่ทะเลาะวิวาดกันขึ้นได้ง่ายๆในวงการของผู้ปฏิบัตินะอันต่อนี้ไปรับพรวันนี้ให้หลวงพ่อให้แนวความคิดาลากลายให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาตั้งแต่เบื้องต้นว่าพวกเราให้สั่งสมบุญคนที่มีบุญไปน่นสถานที่ใด ดีทั้งนั้นปุญญาณิประโลกดสมิงปฏิฐาหนติปานินังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้านะรับพรนะตอนนี้อนุโมทนาให้พร